ธรรมจากพระผู้รู้ตอนที่ยี่สิบโดยสันตินันหรือพระปราโมทปาโมโชในปัจจุบั น, าบนจจบากามุงงเเอบันจจตึึซถามวันหนึ่งผมนั่งสมาธิและรู้สึกว่าจิตเกิดทุกข์มากในความรู้สึกขณะนั้น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 ถ้าไม่เป็นกลางก็ให้รู้เข้าไปที่จิตตนเองดีกว่าครับเพราะลำพังเวทนานั้นมันทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้หรอกถ้าจิตของเราไม่ทุกข์สถานการณ์ที่สองเมื่อรู้สึกว่ายุงมาเกาะต่อมามันกัดเรารู้สึกเจ็บใช้การทำความรู้สึกหาตำแหน่งที่เจ็บแล้วเพ่งความรู้สึกเข้าที่กลางของเวทนาที่เกิดสักพักเดียวจะไม่รู้สึกถึงอาการคันเพราะชาไป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 บทความจากธรรมะใกล้ตัวฉบับที่ย0สบ